อาจะเคลื่อนไหวด้วยความหลงมีเหตุปัจจัยท้าเกิดควบหลงไปทางกายจิ่งแสดงออกมีเหตุทาให้เกิดมีเหตุควบหลงทำให้เกิดขึ้นทางใจมีการแสดงออกบัดนี้ให้มีสติเป็นเจ้าของเวินผู้ดูแลให้เห็นอย่าไปแสดงออกเรื่องอื่น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 เกิดกับใจก็นำไป่ท้วนเขาเรียกว่าอาการภาษาบ้านเราเรียกว่าอาการภาสาเขาพูดเจ้าหรือว่าสุขก็ทุกข์หรือเรียกว่าเวทนาเวทนาคือสุขคือทุกข์นันเป็นคำพูดถ้าเราสัมผัสดยจริงมันเป็นอาการ <c oughs>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 ม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ไปะมาเป็นโศกเป็นทุกข์เห็นมันอย่างนี้ก็จะเป็นก็พูดออกมาก็พูดออกมาได้ว่าอายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกมาจากสภาวธรรมที่ไม่มีคำาไม่มีใครบอกตัวเองประสบการณ์เอาเอง นี่คือรูปขอบคุณที่บรโยงกัดบรงเก็บถ้าบันไม่เก็บนันก็ไม่ใช่รู ป, รปเพราะรูปมันมีนามไม่รู้อะไรได้มันรู้อะไรได้ไดก็เห็นแต่ก่อนเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจหลังดีวิเศษสติ แล้วก็ไม่ไปไกลเหมือนทิ่งก้อนกวดก้อนเห็นใสฝาผนังแล้วก็ตกลงสัมผัสล้วตกลงไม่ติดอันไม่ติดแต่ก่อนเหมือนทิ่งก้อนดินที่เป็นเปียกเที่ยวเหนียวติดไปติดสุ ก, ก็ติดทุกข์ก็ติดพอใจก็ติดไม่พอใจก็ติด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 แต่เพราะเรื่องนี่เสือก่อนอันที่สั้งใจคิดอ่ะมันก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเวลาเผชิกรรมฐานมไม่ควรจะคิดแต่ความรักคิดมันไม่มีเวลามันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละยิ่งดีให้มันคิดลงไปจะได้รู้ง้นจะให้เอามาความ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 เต่มไปหมดจุกก็มีทุกข์ก็มีแล้วก็มีเกียชังก็มีึกกมขกกมนขยะในหัวใจเป็นอารมณ์ข้างบัณฑีตพอเห็นจะภาวะธรรมสามลักษณะมันมันจะอาจอาไปที่งลงไปง่ายๆจีงไหนเป็นทุกข์มันก็ไีเที่ยงทิงลงไปไม่ มันไม่เที่ยงที่ยอลงไปในความไม่เที่ยงจริงไหนไม่เที่ยงทิ้ยงลงไปในความไม่เที่ยงมันจริงแบบนั้นมันไม่จริงแบบไม่มันไม่เที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบเที่ยงก็เป็นทุกก็จริงแบบทุกข์แต่มันไม่จริงแบบความเป็นทุกข์เห็นตรงนี้นะเข้าสู่อิปัจฉนาญานอิปัสฉริเกิดขึ้นตรงนี้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 โดยการรู้เฉยๆแก้ไปได้ต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องคิปตาต้องเกิด น, น้ํำลายต้องหลับต้องนอนยืนโดยนนังนอนต้องหนักต้องเบาคือมันเป็นโรคลูบต้องคนมีเหมือนกันโรคแบบนี้บางอยาาง่างบัรเทาบางอย่างละเช่นทุกข์ที่เกิดจากคาลองหลง โปูดเจนเล่ละเด็ดขาดบรรเทาไม่ได้ไม่ต้องบ allora. รรเทาติดปูดีติดคัน evet ช้าติดท้องเสพติดละไม่ใช่บรรเทาความโกรธก็ละไม่ใช่บรรเทากูได้ด่ามันก็หายโกรธไม่ใช่แบบนั้นละทันทีทุกทุเนี่ย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 เห็นเหตุไม่ทำเหตุนั้นอีกพ้นจากเหตุที่กังทำนั้นอีกเห็นมากไปแล้วเห็นงูนเห็นไปจากงูออกไปออกไปแล้วก็พ้นหูแล้วบันมีสามลักษณะเห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกเหนความดับทุกที่นหวจัดฉี แต่ละอันนี้มีอยู่สามลักษณะเห็นทุกก็ทำสามอยา่างออกจากทุกพ้นจ า, ากทุกสมไทยก็เหมือนกันถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นจริงไม่ไม่เข้าไปเป็นอะมันก็ไปเห็นแลว้วก็หลุดพ้นทันทีจึงทํำมันก็ทำไม่จับ รูปธรรมจกักรสิบสองขี้ทำไมมีสิบสองขี่อริษฐ์สีมีสี่สี่สามก็เป็นสิบสองก็ไอ้รรมาจากหมุนไปทางใดก็แหลกไปเลยแหลกไปเลียบไปเลยเพราะมันเปอย่างนี้ทุกมันก็เลียบไปแล้วโกรธมันก็เลียบไปแล้วหลงก็เลียบไปแล้วมันเยียบไปมันเลียบไป มันก็ไม่กวดผ่านไปตรงไหนก็เอาปูนไปในลักษณะของอริยจสี่ทิษดีของพระเจ้าที่พกเห็นเนี่ยมันทําไปในตัวเศษมันก็ไม่บีบคืนสุขก็เรียบไปเลยทุกข์ก็เรียบไปเลยไม่มีขึ้นไม่มีค่าแต่ก่อนกระทบกระเทือนท่าชีวิตของเราเนี่ยพอมาเห็นลักษณะนี้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 ทุกเป็นทุกคนป่วยผูุ้ชนคือคนป่วยถ้าเป็นโรคแบบคนหมอรักษาเนี่อันนั้นก็เป็นโรค ท, ที่เกิดเชื่อลกูกอันนั้นก็รักษาโดยโอชุดลยยาอั น, น, นโรคที่เกิดจากอานเกิดเจ็บจะตายก็รักษาด้วยยาแลือโอสุดดังที่เราสวดไปทำทั้งหมด ก็สงไปสวดมนต์บ้านก็มีขันน้ามนต์มีเทียนทำหน้ามนต์หอมบ้านก็มีบทหลวงที่สวดว่าจักกตวาพุตระตลังโอชถังอุตตังวะลังจักกตวะทับบตลังโอชะถังอุตามังวลัง สจธรรมสังขาตั้งโอสถถังอุตมังบลังสสัพพลูกาสัพสัพพยายามสัพพลูก า, าอะไรเติมไปสัพพยายามสัพพลูกาเติมนะอานพยายามโลคาห <c oughs> า, า, ายไปหมดหมยถึงโลกัน้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 เป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้เพราะใช้ชีวิตไปถูกต้องได้อันโรคอีกทานที่เป็นแค่โรคต้องไปหาหมออยราลตาไปหาหมอเนี่ยก็หายได้บันเทาได้แก้ได้แต่การเกิดเจ็บเจ็บตายแก้ไปได้แต่เราต้องมาเสีอาเสีย น, นเวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บนี่ยไม่เก็บเพราะกมเก็บนี่เราทำเองหมอทำไม่ไปได้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 ก็เลยมันทรมานใจทรม า, านใยกัดหลักกันเบามไม่ดีทรมานไตเอ๊ะมันมมไตายรือเนี่ยมาสังเกตดูเราตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาอีกมาหายใจอีกก็หายใจไม่ได้กรทิ่งเหมือนอดกไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนสองรอบสามรอบจึงค่อยปกขึ้นมา รื่นตาขึ้นเห็นคนยืนก็ก็จกอยู่ข้างนอกห้องไอชียูเห็นน้ำตาไหลเป็นแถวเอา้เอาก็มาล่องให้กับเราทำไมก็ เ, เห็นทุกข์ระดลอดอะลายอยากจะบอกเขาคั่วไม่ออกว่าจะเอ า, เ อ, า, เ อ, าอมสายายางอยู่สายยางสอดเข้าไปในคอบื่อได้ไปรู้แล้ว <laughs> นี่ก็ขึ้นมาเพราะหมอถ้าไม่มีหมอมันก็หมดไปแล้วรูปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องไปทุกข์กว่าควาแค่ขความเจ็บคนตายได้จริงจริงถึกว่าอย่างนี้แหละมันหลงให้รู้ขึ้นมาเนี่ยกรรมฐานไปทางนี้นะรักษาหายความูรคของกอดของหลงของทุกข์นี่ยแล้วอ้จริงจริง แต่ต้องฝึกกรรมฐ า, านไม่ใช่อยุกขฉืยเอามาที่ไหนฝึกอย่างเนี้ยปฏปิบันธ์แบบนี้แหล ะ, ละเห็นกันทุกคนแล้วมันหลงไม่หลงก็มากําหนดนิมิต ท, ที่เราตั้งไว้เนี่ยสนุกดีน ะ, ะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงนี่โอ้ยเป็นความชอบที่สุดเลยถูกต้องที่สุดแล้วมันทุกข์ไม่ทุกข์ไปถูกต้องสุดทำได้จริง อย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธพอใจเป็นพอใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวไปเลยมันจะเลี้ยไปว่าในคืนวันนีเต่มมาจากค้นลาดเหมือนรถสามขันอยู่ในสมองตุมตมต ม, มันก็สุขภาพไปดีแต่มารีบอาบน้ำซักผ้าเตรียมตัวตาย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 อะไรที่ เ, เกิดกับกายเห็นสัจธรรมว่ากายอันเป็นสุขเป็นทุกข์สักตรรมว่าสุขก็ทุกข์ไปแล้วเห็นความไม่เห็นความคิ ด, คคดเกิดขึ้นจา ก, จากความคิดอะไรต่างๆสักธรรมว่าความคิดไม่ใช่ตัวชื่อตนไปแล้วไปทิ้งไปแล้วเอาไว้หลังข้าม บ, บ้านข้าบเบิงเดินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไปแล้วไปแล้วไม่มีค่า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 จะขี้เกียจให้ขยันลู้ยิ้ม่ย้มแจยงใสใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาไม่เข่งเขื่อนไม่ไม่รีดแรงคำว่ารู้หนีมันเบาๆไม่หนักสบายสบายเลยลขอจบโทรนี่สหรับนนเช้าวันนี้กับพระพอบกัน